31การเจริญกายานุปัสสนาวงเล็บเปิดยีเมษายน2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดมีพระสูตรอันหนึ่งชื่อกายคตาสติสูตรเป็นสูตรที่คนไม่ค่อยเรียนคนชอบคิดว่ากายคตาสติสูตรคือคิดถึงอาการ32ขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกและอื่นๆเรียกว่ากายคตาสติสูตร ที่จริงในกายคตาสติสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนตรงๆเลยนี่สอนคล้ายๆสติปัฏฐานคล้ายๆกายานุปัสสนานะหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนก็รู้คู่เหยียดก็รู้เลี้ยวซ้ายแลขวาก็รู้ท่านบอกว่าพอรู้รู้ไปแล้วใจจะหลุดออกจากความคิดจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้กายลงไปเรื่อยนะ กายมันเป็นของหยาบดูง่ายถ้าเรารู้ไปเล่นๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆจิตก็ตั้งมั่นเข้าถึงฐานได้เหมือนกันนี่กายคตาสติถ้าทำแล้วเกิดสติเกิดสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นแล้วเราตามรู้กายรู้ใจต่อไปอีกเราเห็นกายเห็นใจเขาทำงานเราเป็นแค่คนดูตัวนี้เป็นการทำกายานุปัสสนาในแบบของวิปัสสนาแล้วไม่ใช่ทาสมถะแล้ว จะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนไปรู้ร่างกายที่ยืนเดิน น, นั่งนอนอยู่แยกกายแยกจิตออกจากกันถ้าไม่แยกกายแยกจิตใช้ไม่ได้นะอย่างบางคนไปขยับมืออย่างนี้สายหลวงพ่อเทียนเยอะเลยที่ขยับมือแล้วไม่ได้แยากกายแยกจิตขยับมือแล้วจิตไปเพ่งเข้าไปอยู่ในมือใช้ไม่ได้บางคนดูท้องพองยุบจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องใช้ไม่ได้เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้า ใช้ไม่ได้รู้ลมหายใจจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจใช้ไม่ได้ได้แค่สมถะถ้าจะอยากทาวิปัสนาใจต้องถอยออกมาแยกรูปแยกนามก่อนร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูต้องเป็นอย่างนี้เรื่อยๆร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนใจเราเป็นคนดูการที่เราเห็นว่าร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนแล้วใจอยู่ต่างหากได้นี่ในขณะนั้นเราจะเห็นทันทีเลย ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อไร่ภาวนาแล้วเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเรียกว่าภาวนาถูกถ้าภาวนาแล้วบังคับกายบังคับใจได้ก็ภาวนาผิดฉะนั้นไม่ได้ภาวนาเพื่อบังคับกายบังคับใจแต่ภาวนาจนเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราขึ้นมาได้เพราะใจมันอยู่ตั้งหากใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูนะใจมันตั้งมั่นมันแยกออกมามันเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปกายก็ไม่ใช่เรา กลายเป็นของถูกรู้ถูกดูพอเห็นเวทนาเห็นค <acrylic> วามรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันจะเห็นความสุขความทุกข์เป็นของที่ผ่านมาห่างๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่ใช่เราอีกแล้วเวทนาก็ไม่ใช่เราเห็นทันทีเราจะเห็นเลยกุศลและอกุศลทั้งหลายที่เป็นตัวสังขารผ่านมาแล้วผ่านไปเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราอีกแล้วเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเลยนี่ดูอย่างนี้นะพอใจเราตั้งมั่นเป็นคนดู เราจะเห็นเลยทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีฉะนั้นใจเราต้องตั้งมั่นนะใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวเอาไว้แล้วก็เห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปอย่างนี้มันถึงเดินปัญญาค่อยๆละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราแต่เห็นแรกๆใจยังทนไม่ได้ใจหายบางคนตกใจนะตัวเราหายไปตกใจมากเลย ถ้าตัวเราหายไปแล้วในโลกนี้จะมีอะไรเหลือให้เชยชมไม่มีเลยบางคนก็กลัวบางคนก็เบื่อชีวิตนั้นน่าเบื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะตัวเราหายไปแล้วมันก็น่าเบื่อสิใครจะเป็นผู้เสพสุขละ่ะทามาหากินได้เงินเดือนมาใครจะเป็นคนไปใช้มันตัวเราไม่มีสิ่อย่างเดียวโลกนี้แห้งแล้งน่าเบื่อโลกนี้น่ากลัวตัวเราหายไปบางคนก็รู้สึกเวิรงว้างวงวงวิวิวรู้สึกเดียวดาย หาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้อันนั้นเป็นอาการที่จิตมันยังไม่ยอมรับความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรามันเริ่มเห็นความจริงนิดนดหน่อยหน่อยมันทนไม่ได้ให้รู้เข้าไปอีกมันจะรู้สึกหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้รู้สึกเข้าไปอีกรู้เข้าไปเรื่อยก็จะเห็นเลยความกลัวความเบือ่อทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของที่ผ่านมาผ่านไปเหมือนกับอารมณ์อื่นๆนั่นแหละใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมา คราวนี้เห็นทุกอย่างเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยเรียกว่าเห็นมันแสดงไตรลักษ์ไปเรื่อยด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเห็นเลยความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วดับอกุศลเกิดแล้วดับเห็นซ้ำๆอย่างนี้ด้วยจิตที่เป็นกลางพอเห็นมากเข้ามากเข้านะมันจะเกิดปัญญาอีกชนิดหนึ่งมันจะรู้เลยทุกอย่างชั่วคราวเพราะความสุขก็ชั่วคราว ความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราวเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยเมื่อเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดนะเรียกว่าจิตมันมีปัญญาเห็นความจริงของความปรุงแต่งทั้งปวงความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นของชั่วคราวมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับไปบังคับไม่ได้ใจมันสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างเป็นกลางที่แท้จริงเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดี ความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินร้ายเพราะรู้ว่ามันชั่วคราวนี่จิตที่เห็นทุกอย่างชั่วคราวไปหมดนะหมดความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนเรียกว่าจิตนี้เข้าถึงสังขารุเปกขาญาญญาญแปลว่าปัญญาสังขารุเปกขาแปลว่าอุเบกขาต่อสังขารสังขารคือความปรุงแต่งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วจิตมีปัญญาเห็นความจริงเข้าก็เลยเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวง เมื่อจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งอย่างแท้จริงคําว่าในเครื่องหมายคำพูดสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นที่พวกเราหลายคนภาวนาวันสองวันแล้วบอกว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นน่ะไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงจะต้องเกิดด้วยปัญญาตรงที่สักว่ารู้ว่าเห็นนี่จิตจะไม่ดิ้นรนจิตจะไม่ทำงานต่อจิตหมดความยินดีินร้ายแล้ว เมื่อจิตไม่ดิ้นรนจิตหมดความยินดีอินร้ายต่อรูปธรรมนามธรรมต่อสภาวธรรมทัท้งปวงต่อปรากฏการ์ทัท้งปวงจิตหยุดความปรุงแต่งนะวับเดียวจิตจะรวมเข้าอัปนาสมาธิพอรวมเข้าอัปนาสมาธิแล้วก็จะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคมีสติตลอดสายเลยในขณะที่เกิดมรรคญาณขึ้นมามีมรรคจิตเกิดภารญาณก็มีภารจิตที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลนะ่ะ มีจิตไม่ใช่ดับวูบลงไปขาดสติไม่มีความรู้สึกตัวแล้วก็บอกว่าบรรลุมรรคผลไม่ใช่นะหลายคนเข้าใจผิดเลยตรงนี้ในขณะที่บรรลุมรรคผลมีสติตลอดสายเลยไม่ขาดสติแต่ว่าไปเห็นนิพพานไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นอารมณ์ของจิตคือเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแต่เป็นอารมณ์ซึ่งเราไม่เคยรู้จักเราเคยรู้จักแต่อารมณ์ที่ปรุงแต่งเราไม่เคยรู้จักอารมณ์นิพพานนิพพานเป็นสันติ ไม่ปรุงแต่งนิพานเป็นความสุขความสุขที่พ้นจากความปรุงแต่งพอจิตไปเห็นอย่างนี้เข้าจิตรู้ความจริงเลยว่าโลกธาตุนี้แท้จริงว่างเปล่าเหมือนพยับแดดเหมือนเปลเวหมอกเหมือนภาพลวงตาโลกธาตุทั้งหมดทั้งกายทั้งใจเราทั้งกายทั้งใจคนอื่นทั้งโลกภายนอกด้วยเป็นแค่ภาพลวงตาในความเป็นจริงนั้นมันว่างเปล่าเพราะเราไปเห็นธรรมะซึ่งเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้ แต่เดิมสมมุติว่าเราลำบากยากจนนะเรามีมาม่าหนึ่งซองเราก็รู้สึกว่าจริงจังแล้วดีวิเศษใช่ไหมต่อมาเรามีข้าวกินเราไม่ต้องกินมาม่าเว้นแต่คนชอบนะบางคนชอบจริงๆนะมีของกินดีอย่างไรก็ไม่เอาจะกินมาม่านี่พอเราเจอของที่เหนือกว่าเรารู้เลยว่าของที่ด้อยกว่านี่ไร้คุณค่าไม่ใช่ว่ามาม่าไร้คุณค่านะมาม่าเป็นที่พึ่งของคนหลายล้านคนนี่ยกตัวอย่างอาหารสําเร็จรูป ยามจำเป็นก็กินถ้ามีเวลามีโอกาสก็กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะมากกว่านั้นจิตนี้ก็เหมือนกันพอจิตไปเห็นนิพพานแล้วจิตจะรู้เลยว่าโลกนี้ไร้สาระจริงๆคนในโลกแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างสภาพที่คนในโลกแย่งชิงผลประโยชน์แย่งชิงความรักแย่งชิงตำแหน่งแย่งชิงชื่อเสียงแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะของคนที่เห็นนิพพานแล้วพอมาเห็นคนในโลกแย่งชิงกันนี่ มีความรู้สึกสลดสังเวชใจเหมือนเห็นหมายแย่งกระดูกกันเท่านั้นเองแต่ตอนนี้กระดูกยังอร่อยอยู่ใช่ไหมยังไม่ยอมทิ้งกระดูกโจโฉแทะไก่หมดน่องแล้วเหลือกระดูกยังเสียดายไม่กล้าทิ้งพอเรามาภาวนาเรามีสติปัญญารู้เลยว่าไร้สาระแย่งกันแทบตายแล้วไร้สาระดูสิใครใหญ่ที่สุดฉะนั้นเราคอยฝึกของเรานะรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยจนเห็นความจริงของกายของใจ เมื่อเห็นความจริงก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือเรียกว่าคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดแล้วย้อนมาดูเพื่อนร่วมทุกข์ที่เคยกระเสือกกระสนมาด้วยกันก็สลดสังเวชใจช่วยได้ก็ช่วยนะช่วยไม่ได้ก็แล้วไปกรรมของใครของคนนั้นสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองฉะนั้นเราคอยฝึกนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกแต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ฝันมันไม่ง่ายตรงไหน ไม่ง่ายเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่สำหรับผู้ที่ตื่นแล้วมันไม่ยากเลยที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้นความยากอยู่ที่ทำอย่างไรจิตเราจะตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้ภาวะแห่งความตื่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆในโลกไม่มีคนตื่นคนตื่นมีมากมายในยุคหนึ่งที่หลวงปู่มั่นท่านสอนมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันเคยได้ยินครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าว่าสมัยงานศพหลวงปู่มั่น ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่ไปร่วมงานศพที่พลนทุกพลร้อนไปแล้วมี37องค์เยอะมากนะที่รองรอง ล, อ ง, ลองมามีอีกเยอะแยะมีระดับเป็นร้อยที่ได้ธรรมะเบื้องต้นทั้งพระทั้งโยมมีเป็นพันบารมีท่านเยอะเสร็จแล้วครูบาอาจารย์ก็ค่อยๆร่อยหลอลงเรื่อยๆทุกวันนี้หาผู้รู้ผู้ตื่นที่จะสืบทอดต่อไปแทบไม่มีเลยเมื่อ20กว่าปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนเอาไว้กลุ่มหนึ่งเวลาไปไหนนะนั่งรถตู้ไปด้วยกัน ไปหาครูบาอาจารย์พอเข้าวัดท่านเทศเทศอยู่ในศาลาบางทีท่านหันขวับเลยนี่สิบคนท่านว่าเยอะขนาดนี้แล้วสิบคนที่รู้สึกตัวหลวงพ่อบอกให้นะคนที่รู้สึกตัวมีเป็นพันแล้วแต่ว่าที่เอาตัวรอดได้ก็ยังมีไม่มากเพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นคารวะภาวนาบ้างละทิ้งบ้าง